ตั้งใจให้มันดีให้สังเกตดูว่าเรากําหนดพุทธโธได้ไหมถ้าเรากําหนดพุทธโธได้ใจเราต้องสงบแน่นอนเอาใจนั่นแหละมากําหนดพุทธโธถ้าเรากําหนดพุทธโธอยู่อย่างนี้ ใจเราต้องสงบแน่นอนไม่ต้องบังคับไม่ต้องกดต้องเลงมันก็สามารถเป็นสมาธิได้ถ้าเราคอยกำหนดรู้อยู่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เรียกว่าอนุสติสิบ มีพุโทโธเป็นต้นธรรมโมสังโฆถ้าเรากำหนดได้ใจเราเป็นสมาธิแน่นอนถ้าเรากำหนดพุโทโธได้แม้ใกล้จะตายจิตใจก็ต้องมีที่พึ่งใจเราจะมีที่พึ่ง จะยึดจะถืออยู่ในอารมณ์นี้ตลอดตายปั๊บต้องไปสู่สุคติแน่นอนถ้าเราทำภาวนาเป็นแล้วแต่ถ้าทำไม่เป็นก็ฝึกหัดให้มันเป็นในวันนี้คอยรู้ดูเห็นอยู่ให้สังเกตให้ดีอากาศไม่ร้อน ไม่หนาวเราสามารถทำความภาคความเพียรได้ให้พยายามทำอยู่บ่อยๆกับจากนี่ไปบ้านก็ให้ทำอยู่บ่อยๆไม่มีใครหรอกรู้ว่าเราทำอะไรต่างคนต่างก็กำหนดพุดโทพูดโทไว้ในใจ ใจสงบไม่สงบเราก็รู้ของเราใจไม่สงบเราก็ต้องรู้ว่าใจไม่สงบใจสงบเราก็รู้ว่าใจสงบครูบาอาจารย์ก็ไปเตงไงไม่ได้ไปสงบแทนไม่ได้ต่างคนต่างก็ทำโดยตัวของตัวเองนั่งดีต่อกัน สามวันเจ็ดวันสามวั น, นมันอยู่แล้วมันไม่คิดนึกอันา น, านั้นอันนี้หรอกพอมันอยู่ในอำนาจของเราแล้วเราดำเนินตามมารกแปดมีมารกแปดเป็นรัฐธรรมนูญในการดาเนินชีวิตนะ่อย่าให้นิจากมารกแปดัมมาทิธิ เห็นอะไรเห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมรรคความเกิดความแก่ความเก็คกคเกบความตายเป็นสมาธิทิฏฐิถ้าเราเห็นชอบนะ่คิดว่าคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเก็บต้องตาย รู้อยู่ในใจของเราถ้าคนไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายนี่หายากคนในโลกนี้ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายทุกคนไม่ว่าวันไหนเวลาใด ก็เห็นใจของเราดิเป็นสัมมาทิฏฐิหรืยอยังเห็นชอบหรือยังเห็นชอบก็เห็นทุกขกันแหละเราเห็นชัดไหมในใจของเราเห็นทุกข์ ทุกคือความเกิดความแก่ความเก็บความตายนี้มันไปทุกอยู่ที่ไหนมันไปทุกอยู่ที่กายที่ใจนี่แหละไม่ได้ไปทุกที่อื่นกายเป็นทุกใจก็เป็นทุกแต่ถ้ามีธรรมะแล้วไม่เป็นทุกใจไม่ทุก ให้กำหนดดูว่าใจของเราเที่ยงหรือไม่เที่ยงวุ่นี่วุ่นวายหรือไม่วุ่นนี่วุ่นวายให้สังเกตดูได้ใจถ้าสงบด้วยวิธีพุดโธนี่แล้วก็จะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงของชีวิตเห็นความเกิดขึ้นเห็นความตั้งอยู่และเห็นความดับไป อยู่ที่ใจของเรานี่แหละเกิดเราก็รู้ว่าเกิดเราไม่รู้พ่อแม่กัเล่าให้ฟังเออเราเกิดถ้ามีเกิดก็ต้องมีแก่ต้องมีเก็บมีตายโศกเศร้าเสียใจพิไรลำพันธปรารถนาสิ่งใดก็ไม่สมปรารถนาอันนี้เราเป็นทุกข์ ทุกคนต่างก็ปฏิบัติเอาอันเดียวมาอันเดียวถ้าเราเห็นชัดว่ากายมีเกิดมีแก่เก็บตายชัดเจนชัดเจนอยู่ในใจเราใจเราจะมีความสุขมากสบายมากสบายในใจเลย สัมมาสังกปะความดำรีชอบดำรีออกจากกามคือมันคิดเรื่องกามก็เอาใจเราออกห่างอารมณ์นั้นอย่าคิดนึกจิตมันก็สงบถ้ายัางคิดนึกนอกเรื่องอยู่มันก็ไม่สงบมันก็ฟุ้งซ่านนันนี่ สารพัดอย่างทําให้ใจของเราตั้งเที่ยงตั้งมั่นเห็นชัดในความดารี่ออกจากรามดําดีไม่พยาบาทดําลี่ไม่เบียดเบียนอันนี้เรียกว่าความดํารี่ชอบความดำรีชอบใครเป็นคนดํารี่ใครเป็นคนนึกคนคิด ก็ใจเราเป็นคนนึกคนคิดเรามีใจมันต้องคิดคิดเรื่อง น, นั้นบ้างคิดเรื่อง น, นี้บ้างคิดเรื่องดีบ้างลายบ้างสารพัดให้พยายามดำรีอกจากกรรมคือไม่ให้คิดเครื่องกามดำรีไม่พยายามตร คือผูกใจเก็บกับคนที่มาทำกับเราอันนี้ก็ อ, ออกไปไม่คิดพยาบาทใครไม่ปองร้ายใครทำใจให้ตั้งเที่ยงตั้งมั่นอยู่ตลอดอย่าท้อถอยสามวันนี้เราก็เห็นใจของเราแล้ว ใจเราสบายหรือไม่สบายเราเห็นชัดเลยคิดนึกฟุ้งซ่านเราก็เห็นชัดไม่คิดนึกฟุ้งซ่านเราก็เห็นชัดเห็นในใจของเรานี่แหละใจที่มีพุโทโธกำกับอยู่นี่แหละมันเห็นชัดขึ้นมาสว่างสวัยขึ้นมาจิตใจก็ เป็นสุขถ้าเราดำริถูกต้องใจเราก็จะเป็นสุขทาอะไรอยู่ก็เป็นสุขเดินอยู่ก็เป็นสุขนั่งอยู่ก็เป็นสุขนอนอยู่ถ้ายังไม่หลับก็เป็นสุขเป็นสุขอยู่ที่ไหนเป็นสุขอยู่ที่ใจของเราใจของเรานั่นแหละเป็นสุข ให้สังเกตสังเกตให้ดีสามวันมันก็เหนื่อยอยู่แล้วเหนื่อยตามแข้งตามขาพราะเรานั่งนานแต่ก็ไม่ใช่ว่านั่งตลอดก็มีเวลาพักเวลาหยุดด้วยก็เลยเปลี่ยนท่าเปลี่ยนวิยาบทไปความเหนื่อยเมื่อล้าทางร่างกายก็ ให้ผ่อนคลายลงข้อสําคัญว่าเราไม่ต้องทําอะไรมากไม่ต้องกังวลมากให้มันตั้งเที่ยงตั้งมันอยู่กับอารมณ์นี่แหละเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงรูป ก, ก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยง สัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงนั่นขันห้านี่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาเพราอนัตตก็คือไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้ว่าอันนี้ของเราอันนี้ของเรา ให้เราเห็นเห็นชาติลงไปในใจของเราจะเห็นเป็นอสุภะก็ได้ร่างกายนี้นางสิริมาเป็นคนสวยมากในครั้งพุทธกาลนะเป็นคนสวยมากพอตายแล้วเขาก็ไม่เผา ยังไม่เผาให้เอาเก็บไว้สามวันทีนี้ก็พอครบสามวันแล้วก็พระพุทธเจา้าก็ให้ประกาศขายให้พระราชาประกาศขายยังมีชีวิตอยู่คนจะไปอยู่ไปพักกับนางศรีมานั้นต้องมีเงินต้องมีเงินสี่พันกะหาปณะนะ แต่ละคืนแต่ละวันพอตายแล้วประกาศขายใครจะเอาบ้างไหมสี่พันขาปะนะเอาไหมไม่มีคนเอาเลยพันเดียวก็ไม่เอา ลดลงมา เ, เรื่อยๆเหลือกากรนิกเดียวถ้าพูดภาษาไทยเรียกว่าสตางแดงเดียวก็ไม่มีคนเอาให้เฉ ย, เยกม็มีคนเอาอ่านหมร่างกายนันเปือยเน่าเปือยเน่าหมดเลย มีหมูนอนไหลออกไหลเข้านอนไหลออกทางหูทั้งสองข้างทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจัน่นให้เห็นชัดลงไปว่าสังขารตัวตนของเรานี้ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาจะยึดถือเอามาคองไว้เป็นของเรา มันได้อยู่เจ็ดสิบแปดสิบปีเก้าสิบปีจยางมากส่วนคนถึงร้อยปีนี่ก็หายากแล้วเดี่ยไม่เที่ยงก็เป็นอย่างงี้แหละเราอยากคิดว่าเราจะไม่เก็บไม่ตายตายถ้าพิจารณาแล้วก็เห็นความตายชัดเจนเห็นอสุภะในตัวเราชัดเจน แต่ตอนนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นปกติธรรมดาแต่ถ้าตายแล้วนั่นมันไม่มีค่าเลยแม้สตางค์แดงเดียวก็ไม่มีค่าแล้วไม่มีคนต้องการหมูนอนไหลออกไหลเข้าหูทั้งสองจมูกลิ้น หมูน้อนไหลออกไหลเข้าอยู่ตลอดท่าวันหนักท่าบันเบาหมูน้อนก็ไหลออกไหลเข้าไตาออกไตเข้าหาความชวยสดงดงามอะไรไม่มีมีแต่ของอสุภะทั้งนั้นให้เราพิจนากายแบบนี้ก็ได้แต่ก็อย่าลืมพุทโธ ถ้าพุโทโธไม่มีมีแต่อารมณ์ที่เราเห็นอยู่นี้ขนาดนี้ก็ใช้ได้เราต้องเห็นเห็นด้วยใจเห็นว่าเราเป็นอย่างนี้แหละตัวเราเป็นอย่างนี้หนีจากความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้ สังขารร่างกายตัวตนเป็นของไม่เที่ยงทางนั้นแหละให้เห็นชัดลงไปในใจกาเราสงบหรือไม่สงบเราก็รู้ ใจเราตั้งเที่ยงตั้งมั่นเราก็รู้หรือไม่ตั้งมั่นให้เราทำสมาธิให้มันดีถ้าสมาธิเป็นแล้วดีแล้วนะ่ะมันสามารถภาวนาได้เลยมันเห็นชัดเห็นชัดมันเกิดอะไรก็เห็นตัวตนของเราเนี่แหละให้มันชัด ให้ดูตัวตนของเรานี่ะพยายามทำซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายครั้งหลายหนจิตจึงจะสงบได้ไม่ใช่นั่งปั๊บจิตสงบได้เลยอันนั้นมันคนที่ชำนาญแล้วคนชำนาญแล้วนี่จิตสงบแล้วก็รู้ ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ในใจของเราการมาฝึกหัดปฏิบัติธรรมก็เพื่อที่จะเห็นใจของเหล่านี้หลุดพ้นจากกองทุกข์ไม่ยึดถือเอาความทุกข์เป็นหลักเป็นฐานไม่ยึดถือปล่อยวางปล่อยวางความรักปล่อยวางความชัง ปล่อยวางความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาลิสยาอย่าให้มีในใจเราให้มีแต่เมตตาเกิดขึ้นมาเนะคือให้เมตตาถ้ามีเมตตากันแล้วอยู่เป็นสุขถ้าใครไม่มีเมตตาก็อยู่เป็นทุกข์ เพราะเมตตาเป็นธรรมคำจุดโลกให้สังเกตให้ปล่อยวางปล่อยวางความยึดความถือความสำคัญมั่นหมายในตัวในตนนั้นนี้จะพูดไปแง่ไหนมันก็ได้ สามารถทำใจให้สงบได้แล้วเถือเป็นโชคดีของเราให้คอยดูใจของเราถ้ามันสงบแล้วก็ไม่ต้องไปนึกพูดโธอีกก็เอาจิตที่สงบนั่นแหละไปพิจารณาตัวตวนให้เห็นชัดลงไป เห็นชัดในตัวของเราเราจะเห็นเป็นโครงกระดูกก็ได้ถ้าจิตเราเป็นสมาธิแล้วกาหนดดูร่างกายนี่ก็โอ้เหลือแต่กระดูกเนาะนี่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าไม่มีสมาธิแล้วมันไม่เห็นชัด ต, ต้องมีสมาธิจึงเห็นชัดเพราะฉะนั้นเราจึงลาบากที่มาฝึกหัดใ ห, ใหม่ ไม่เคยนั่งนานๆไม่เคยยืนนาน น, านไม่เคยนอนนาน น, านอย่างนี้ให้สังเกต ด, ดูนั่งนานอากาศเย็นง่วงนอนให้พิจารณาเรียกว่าวิปัสสนาเราหัดสมาธิมาหลายวัน วันนี้เป็นเรื่องของวิปัสสนาคือเอากิตที่สงบมาพิจารณาพิจารณาสุภาะอย่างที่อาตมาเทศน์มาแล้วนะก็ได้พี่นายเห็นโครงกระดูกทั้งหมดในตัวตนของเราเนี่3สามร้อยท่อนนี่พอเห็นชัดหมดพอเราเห็นชัดแล้วก็ปล่อยวางได้ถ้าเราไม่เห็นชัดปล่อยวางไม่ได้ ปล่อยวางไม่ได้ก็ไม่ได้มักผลถ้าปล่อยวางได้ก็มีมักมีผลขึ้นมาในใจของเราใจเราก็ละสังโยชน์สังโยชน์มีอยู่สิบให้พิจารณาสังโยชน์กิเลสของเราันหลุดไปไหมมันออกจากใจแล้วหรือ ย, อยังหรือว่ามันเป็นยังไงอยู่ ให้พิจารณาแยกแยะตัวตนของเราออกไปหนังเอาออกไปที่หนึ่งขน อ, ออกไปที่หนึ่งเล็บเอาไว้ที่หนึ่งฟันเอาไว้ที่หนึ่งกองเรียงรายไว้ของคนอื่นเขามากองเรียงรายไว้เราจะจำได้ไหมว่าอันไหนเป็นของเราก็ดูนะ มันไม่เป็นของเรามันทึ้งปวดแข้งปวดขาลำบากกายลำบากใจยิ่งแก่ยิ่งเท่าขึ้นมาเท่าไหร่ยิ่งเห็นชัดจกินเห็นชัดเห็นแงมันก็วางได้วางยึดความถือได้ความยึดความถือนี่แหละเป็นตัวสำคัญ คอให้เราไม่มีสุกกิเลสมันไม่ต้องการให้เรามีสุกหรอกมันมีแต่ต้องการเบียดเบียนเราเนี่ยให้ทําห่างจากมากเปรตเราไม่สามารถที่จะทําให้ละเอียดลงไปถึงขนาดนั้นก็ให้เอาพุทโธเป็นหลักไว้ก่อนให้จิตอยู่ในข้าพพุทโธก่อน อย่าให้วันไหวไปในอารมณ์ต่างๆทำอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยพิจารณาที่หลังพิจารณาไปในตัวของเรานี่มันมีอะไรบ้างมันมีความยึดความถืออะไรบ้างเราต้องวางวางใจของเรา ให้เห็นชาติดตรงไปร่างกายของคนถ้าไม่อาบน้ำสามวัน7จวันมันก็มีกลิ่นตัวแล้วเพราะฉะนั้นวันหนึ่งต้องอาบน้ำครั้งหนึ่งอย่างน้อยก็สำลระสะสางความไม่สะอาดออกจากตัวตนของเราพยายาม พิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้เห็นชัดเจนให้รู้ทั่วถึงไม่ยึดมั่นถือมั่นคนที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นได้ต้องสมาธิสูงมากถ้าสมาธิธรรมดานี่มันไม่เห็นชัดหรอกดูหมอเข้าผ่าศพสิ ผ่าทุกวันทุกวันผ่าศพนี่ยเอาฉีดยาเข้าไปแล้วก็ผ่าออกไปเขาก็เห็นเส้นเลือดตรงนั้นตรงนี้แยกแยกออกไปจากกันแต่ก็ไม่บรรลุไม่บรรลุธรรมเพราะอะไรจึงไม่บรรลุเพราะไม่มีสมาธิที่ ยิ่งใหญ่หรือไม่มีอัปนาสมาธิสมาธิแนวแน่มันจึงไม่เห็นชัดในสิ่งที่เราทำอยู่แต่ถ้าหากว่าหมอพยาบาลมาฝึกปฏิบัติจนจิตสงบแล้วนั่นพิจณากายก็เห็นชัดละวันนี้เห็นชัดเปลี่ยนลงไปโอ้ตัวเราของเราไม่มีตัวนี่ มันมีแต่ความโลภความหลงความราค้าตัญหาเต็มไปหมดในตัวเรานี่ตายแล้วจึงเห็นชัดตายแล้วน่ยได้เป็นเทพเป็นเทวดาเห็นชัดเลยเป็นมนุษย์นี่ตั้งใจปฏิบัติก็เห็นชัดเหมือนกันไม่ใช่ว่าตายแล้วเป็นเทวดาจึงจะเห็น เราเห็นอยูง่งันแหละตัวตนของเรานเราเห็นชัดเราไม่บันไหวถ้าเราพิจารณาตัวของเราได้รูปเอาไว้ส่วนหนึ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาไว้ส่วนหนึ่งแยกออกไปอย่างนี้ รูปห้องเป็นรูปวิธนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นนามเป็นนามธรรมาเราก็จะเห็นชัดเมื่อเห็นชัดก็เกิดความเบื่อหน่ายค่าความยินดีใจก็เป็นสุขไม่วุ่นวี่วุ่นวายอะไรจะเกิดขึ้นก็ เราปล่อยวางได้อย่างนี้เรียกว่าทำถูกถ้าทำถูกแล้วก็เห็นชัดถ้าทำไม่ถูกก็ไม่เห็นชัดเพราะนั้นเราจึงให้มีการฝึกหัดทำสมาธิให้สมาธิเราดีขึ้นอยู่ที่วัดก็ให้ดีอยู่ที่ปฏิบัติธรรมก็ให้อยู่ดี อันนี้ไม่ตกต่ำถ้าจิตใจมั่นคงพินาเห็นชัดซึ่งตัวตนของเราเนี่ยมันไม่ตกต่ำหรอกตายแล้วก็ไม่ตกต่ำผู้ปฏิบัติธรรมถ้ามีมากมีผลขึ้นมาก็ยิ่งดีใหญ่เลย ทำบาปไว้แค่ไหนทำบุญไว้แค่ไหนก็ไปตามอำนาจบุญบาปนั่นแหละอย่างพระออคุริมานฆ่าคนเป็นพันๆหมืน่มนๆพอกิจสงบได้บรรลุมรรคผลแล้วตายไปไม่ตกนรกเลย จะว่าได้กัลยะาณมิตรคือผู้แนะนำที่ดีมีพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างแนะนำโจนุกุลีมานหรือพูดภาษาพระเรียกว่าทรมานเป็นผู้ทรมานท่านข่าคนมาปานนะั้นมันต้องตกนรกอาวิกีมหารกแหละ เหลืออยู่นิดเดียวถ้าแม่มาเจอก่อนก็จะได้ฆ่าแม่คราวนี้กรรมอะไรก็หนักไม่เท่าฆ่าแม่ฆ่าแม่ฆ่าพ่อแต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้ฟังก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอารหันต์ไม่ต้องไปใช้กรรมในนรกเลย บาปอากุศลมากมายถ้าเราตั้งจิตรักษาใจให้ดีเราก็ไม่ไปสู่ฟิบันต่ำผู้ที่มาฝึกปฏิบัติอยู่นี่ก็มั่นใจได้ว่าเราต้องทำใจให้สงบได้แน่นอนแต่ถ้าเป็นสมาธิดีแล้วลองเอาพิจารณาดู พินาตามที่อัตมาเทศได้ฟังเนี่ยพินาดูให้ดีเราก็จะเห็นชัดว่ารูป ก, ก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงมันเที่ยงไม่เที่ยงยังไงอ่ะไม่เที่ยงถ้ามันมีความเกิดความแก่ความเกิดควา ม, มตายอยู่ด้วยมีความพลัดพลาดจนจาก อยู่ในตัวด้วยนี่แหละสำคัญที่สุดถ้าเราเห็นชัดเรื่องนี้เราก็วางได้วางความยึดความถือได้ถ้าไม่เห็นชัดกบพยายามทำสมาธิให้มันดีถ้าสมาธิดีแล้วพิจารณาปุ๊บมันก็วางปั๊บสันทีเลยกระทบอารมณ์ต่างๆนี่ไม่ต้องไปเดี๋ยวๆขอให้ผู้เข้าสมาธิก่อน มันไม่ไม่เป็นอย่างนั้นเขาจะฆ่าจะตีเราเขาก็ฆ่าเลยเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นจําเป็นที่สุดในการที่จะทําจิตให้สงบถ้าจิตสงบแล้วยืนอยู่ก็สบายนั่งอยู่ก็สบายนอนอยู่ก็สบายเดินอยู่ก็สบาย มีแต่สุขถ้าจิตเราสงบแล้วมีแต่ความสุขในใจทำอะไรอยู่ก็เป็นสุขเพราะใจมันถึงสุขแล้วถึงมรรคถึงผลแล้วเกิดความเบื่อหน่ายหายความยินดีแล้วเราก็ได้ความสุขความเจริญ เกิดมาชาตินี้ไม่ผิดหวังกิจโฉมนุสสะปฏิลาโภการเทได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากแสนยากเป็นสัตว์อื่นสิ่งอื่นมันมันเยอะถ้า น, นึงว่าแพะตัวหนึ่งหรือวัวตัวหนึ่งมีเขาอยู่สองเขา นอกนั้นมีแต่โขนโคนพวกนั้นคือผู้ที่ยังไม่เห็นอาจเห็นธรรมที่ไปสัวอบายะภูมิเนี่คือภูมันต่ำเนี่ยมีทุกข์เดือดร้อนให้เราเห็นเห็นชัดเห็นชัดในใจของเราเนี่แหละ ให้ทำบ่อยๆทาอยู่เรื่อยๆนึกอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆใจเราก็จะสบายทําอะไรอยู่ก็สบายถ้าใจเราสงบแล้วอันนี้น่าจะดีไปมดืดแต่ใจไม่สงบอะไรๆก็ไม่ไม่ดีเลยมีความเดือดร้อนใจตลอด มีความวุ่นวี่วุ่นวายตลอดคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีเราเห็นชัดแล้วอะแต่งเรามีความโลภความโกรธความหลงเป็นกิเลสคอย ก, ก, กั้นกลางจิตเราไม่ให้ถึงความสุขได้ความโลภ ก, ก็ดีความโกรธก็ ด, กดีความหลงก็ดี ใครเป็นคนเกิดใครเป็นคนแก่ใครเป็นคนเก็บใครเป็นคนตายลองถามดูสิถามตัวเราดูสิว่าเราปล่อยวางได้มากน้อยแค่ไหนเราละได้แค่ไหนเราพ้นทุกข์ได้แค่ไหนเราก็รู้ชัดในใจของเรารู้ชัดมาก ละเอียดมากนี่คือความเบื่อหน่ายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อารยสมุขคาโตตัดอะไรให้ขาดตัดอะไรก็คือตัดตัวเรานี่แหละใจเรานี่แหละให้ขาดจากความยึดมั่นถือมั่นเที่ยวเป็นพระรหันต์ก็คือไม่มีโรคไม่มีโกรธไม่มีหลงนั่นแหละ เดือาารพระลหันพระนิพานก็ไม่มีโรคพระนิพานก็ไม่มีโกรธไม่มีหลงเป็นมนุษย์ดูก็มีสุขคนเราถ้าสังเกตดูให้ดีแล้วจะเห็นชัดเลยเราลองพิจารณาต่อไปอีกสิพิจารณาต่อไปอีก ให้เห็นชัดลงไปจนสามารถปล่อยวางได้ถ้าโลกนี้ปล่อยวางได้ทุกคนโลกนี้มีความสงบสุขมากพาาระอรหันต์ก็คือผู้ไกลจากกิเลสคือกิเลสไม่มีในใจเรียกว่าพาาระอรหันต์ ถ้ามีโกรธมีเกลียดอยู่ก็เป็นผ้ารหันไม่ได้ถ้าใจเรามีความโรคความโกรธความหลงอยู่ก็เรียกว่าเรายังไม่ถึงก็เป็นผ้ารหันเป็นผ้ารหันคือผู้ที่ไม่มีกิเลสไม่มีความโลคความโกรธความหลงในใจไม่ยึดติดสิ่งไหนเลยปล่อยวางได้หมด ละได้หมดหลือถอนออกไปจากใจเราได้หมดกิเลสไม่มีในใจของเราส่วนร่างกายก็เก็บนั่นป่วยนี่แต่ว่าใจนี่ถ้าไม่มีธรรมะแล้วมันก็ป่วยตลอดเวลาถ้ายังมีโลคมีโกรธมีหลงอยู่มันก็ทุกข์อยู่งั้นแหละถ้าเราละได้ปล่อยวางได้มันก็ไม่ทุกข์ ใครจะพยากรให้เราพยากรของเราเองว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้จิตใจของเราสงบแน่วแน่ไม่หวั่นไหวไม่ตกต่ำตั้งเที่ยงตั้งมั่นอยู่ต่อดเวลาพูดง่ายๆว่าปฏิบัติทำก็คือช่วยตัวเองให้หนีจากกองทุกข์คือกิเลสได้ก็มีความสุข ความสบายหายวิตกกลางบนยิ่งปฏิบัติมันก็ยิ่งดีขึ้นจเจริญขึ้นปฏิบัติจนเห็นชัดในทุกสิ่งทุกอย่างต้นไม้ภูเขาขอวุิเจ้าจงตัดป่า พระเข้าใจผิดว่าพระพุทธเจ้าอนุญาตให้ตัดป่าแต่พระพุทธเจ้าอธิบายทีนึงว่าป่าคือกิเลสป่าคือกิเลสจงตัดป่าแต่อย่าตัดต้นไม้ท่านว่ามันไม่เลือกชาติชั้นวรรณะขึ้นชื่อว่าเป็นคนแล้วมันต้องได้เจอหมด ก็จะได้เป็นคนก็เป็นของยากให้ลองคิดดูทีวัวตัวหนึ่งมีสองเขาอันนี้คือผู้ไปสวนสุขติไปสวรรค์ไปนิพพานแต่คนที่ไปอบายภูมิคือภูมิมันตำ่ำถ้าอบขนโคด คนที่ไปสู่ภูมิต่ำนะ่ะเท่าขนเท่าขนโคลองคิดดูสิขนโคนมากขนาดไหนมันเป็นยังไงค่อยสังเกตดูคนที่ตายไปแล้วก็ไปสู่อาวาัยะภูมิมาแหละมากที่สุดให้เราคิดดูผู้มาปฏิบัติธรรม จะหยิบมือเดียวแต่คนเข้าคับเข้าบามันมากไปสู่สุขติภูมิไม่ได้ต้องไปไบายภูมิยิ่งตปฏิบัติเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นนอนอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีมันดีหมด ถ้าใจเราแน่วแน่มั่นคงแล้วมันก็มีแต่ความสุขมีแต่ความสุขความเจริญถ้าใครอยากได้สุขให้ปฏิบัติธรรมให้ฝึกปฏิบัติธรรมให้ทำให้มันเป็นมันไม่ยากเกินไป ถ้ามันยากหลวงปู่มั่นก็ไม่ต้องได้บรรลุแต่นี่พระคุณท่านตั้งใจปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ตั้งใจปฏิบัตินึกพุทธโธนั่นแหละหนที่สุดกิจของท่านก็บริสุทธิ์สตรามาสอนพระสอนเนน ให้ปฏิบัติตามก็ปฏิบัติตามได้พลทุกได้ปฏิบัติให้มันถึงเรามาแล้วเรามีโอกาสแล้วเราต้องปฏิบัติให้มันถึงให้มันได้ไม่มีอะไรอย่างอื่นก็ให้นึกพุทโธไว้เท่านั้นเองใจก็สงบเบิกบาน เกียใสสภาปาปาัสระอกระดังไม่มีบาปในใจถ้ามีบาปในใจศีลเราก็ได้รักษาแล้วนี่ได้รักษาศีลนั่นเนี่ยเรียกว่าบาปพ้นแล้ว ้นแล้วจากบาปทั้งปวงทำความดีให้ทั่วถึงทำจิตให้ขาวสาดพองใสเท่านั้นแหละเราก็มีความสุขได้ในชีวิตให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าท้อถอยนั่งเหนื่อยก็อดทนเอา แรกกับพอดีผานมันมีสุขถ้าเราทำถูกมีสุขถ้าเราทำไม่ถูกมันก็มีทุกทุกก็ไม่หมดจากใจเรากิเลสตัณหาก็ไม่ออกจากใจของเราไม่มีตัวมีตนหรอกความยึดความถือนี่ก็สามารถําระได้ เหมือนอย่างลพบุมั่นท่านก็ชำระ ก, กิจให้บริสุทธิ์ได้สอนพาสอนนีนก็ให้ปฏิบัติจนบรรลุมรรคผลไปมากมายท่านคนนึกพุโทโธพุโทโธนี่แหละแต่ใจของท่านสงบใจของท่านไม่มีกิเลสสอนคนผู้ปฏิบัติตาม ให้ไม่มีกิเลสกระดูกเป็นพระธาตุเผาแล้วกระดูกเป็นพระธาตุเราก็สามารถทำได้ถ้าจับหลักปฏิบัติให้ดีอยู่บ้านแล้วก็ทำได้อยู่วัดล้วก็ทำได้มีความสุขได้ละความยึดความถือได้ให้ทำบ่อยๆ ให้ทำอยู่เรื่อยทำใจของเรานี่แหละให้มันได้ยอมเห็นชัดในตัวตนอนี้เห็นชัดในใจธรรมมาพิสสมัยสมัยคือการบรรลุธรรม มันไม่นานนั่งอยู่ตามป่าตามดอนเหมือนลงตามหาบัวนี่ท่านได้ก็ต๊บหลังหนึ่งท่านก็ตั้งใจปฏิบัติจิตของท่านก็บริสุทธิ์ถึงความสงบถึงความละความปล่อยความวางความยึดความถือทุกอย่าง ถ้าเรายังยึดอยู่เราก็ไปพ้นทุกข์ถ้าเราไม่ยึดเราก็เห็นใจของเราตลอดว่าขณะนี้ใจดีหรือไม่ดีใจเราพ้นทุกข์หรืออย่างอย่างน้อยที่สุดให้ใจของเรานี่สงบให้มันได้ส่วนกิเลสทั้งหลายมันก็หนีไปแต่เราทํา กิจของเราได้แล้วมันก็หนีไปจึงเรียกว่าพระอรหันต์ใครเป็นพระอรหันต์ก็ดูใจของเราดิปล่อยวางได้ไหมละความยึดความถือได้ไหมใจสงบไหมใจสบายไหมนัน่น เราก็สามารถรู้ได้เห็นได้บรรลุได้มักผลไม่พ้นสมัยมักผลน่ะไม่พ้นสมัยใครเป็นผู้พ้นสมัยก็ใจเรานี่แหละที่บรรลุธรรมก็ใจเราบรรลุ กายนี้ไม่บรรลุธรรมนะเจะใจบรรลุใจบรรลุธรรมใจละความยึดความถือเราจึงฝึกใจของเราให้มันดีฝึกไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำอยู่บ่อยๆ ความทุกข์ความยึดความถือจะหมดไปที่เราคงเข้าใจตามที่เทศนาสั่งสอนนี้คงเข้าใจแล้วให้นั่งสมาธิต่อไป